คือบางทีในสิ่งที่เราเร า, เราศึกษาและปฏิบัติเนี่ยเราไม่ใช่เอาไปใช้เพื่อตัวเราอย่างเดียวนะแต่ว่า <c oughs> เพื่อตอกย้ำความเข้าใจของเราให้มากขึ้นเนี่ยเราจะต้องทำเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมแล้วก็มีผลที่นาไปสาธิตใช้กับคนอื่นแล้วมุกสะทอนกลับมาตอกย้ำความเข้าใจของเราให้ให้มากขึ้น เ, เรื่องของกายของใจในแง่ของปรมัตร์เนี่ยเป็นเรื่องใหม่สําหรับพวกเราที่ถ้าหากว่าเราไม่มีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆหลายหลายมิติมันอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากซึ่งหลวงพ่อจะมาเป็นมาก่อนหลายปีก็จะเข้าใจชัดว่าอะไรเป็นอะไรเพราะเราเคยงมพ้นเป็นปรมัสตร์็นเรื่องสัมผัสไม่ได้แต่อาศัยรูปธรรมเป็นตัวแสดง สภาวะนั้นนั้นซึ่งพวกเราเองไม่มีเวลาที่จะคลุกคลีในเรื่องปรมาตา์คือในสภาวะที่เป็นเพียงความรู้สึกมันไม่มีภาพอะไรเลยเนี่ยและออกมาให้มันเป็นสมมติที่สื่อความหมายแล้วก็ใช้เป็นเนี่ยก็ต้องใช้ประสบการณ์ระยะยาวแต่ถ้าเรามีตัวอย่างมีภาพให้เห็นชัดๆเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาสั้นๆเข้าใจเรื่องนี้ได้ชัดเจน งั้นเรามาดูเรื่องนี้กันดีไม่ว่าเอาจะเข้าใจได้ไหมท่านทำไว้ดีนะของอาจารย์สุภวครรณนังเอาเรื่องกายกักบใจมาแสดงเป็นละคร น, น่าเห็นภาพรู้ร่วมกันนะศึกษาร่วมกันของนำมาทำให้เป็นรูปธรรมโดยง่ายๆถ้าเราปฏิบัติอย่างเข้าใจเนี่ยเพราะนั้นเบื้องแรกที่สุดเนี่ยเราต้องศึกษาสภาวะนี้ให้เข้าใจสังเกตไหมว่าทาไมกาหนดเจอรี่มีแค่สามตัว ตัวใจคือถูกลากไว้ลากมานะตัวใจแล้วทําไมเจอรี่ถึงมีสามตัวโลภโทสะโมหะพัฒนามาจากอะไรพัฒนามะตอนเช้าอะ่ะเห็นหมนิดมาจากเวทนาทั้งสาใช่ไหมเวทนาทั้งสามพัฒนามาจากอะไรตรายรักษณ์อนิจจังทุกขังนันตตาต้นตรอทั้งหมดเลยเช่นใช่เพราะฉะนั้นจึง ให้ให้เราเห็นเหตุเห็นผลอะ่ะเหตุมาจากตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษเบื้องต้นคือตรลักษณ์อนิจจังทุกขังนาาั่นแหละถ้าเราเจะศึกษาเรื่องวิปัสสนานะีต้องให้ความสําคัญตัวเนี้ยว่าบทบาทของอนิจจังคืออย่างไรบ้างทีนี้เราถูกครอบงำ ม, มาไม่รู้กี่หมืน่นกี่แสนชาติเนี่ยแต่ณวันนี้เรามาทําความรู้จักกับมันเราอาจจะชนะมันยังไม่ได้่ะให้รู้จักมันก่อนหนอตัวนี้อนิจจัง แสดงบทบาทในตัวเราคืออะไรเพราะมีความไม่สบายไป็นตัวแสดงคือทุกขังใช่ไหมทุกขังเป็นผลของอนิจจังอนิจจังเป็นเหตุแล้วทุกขังที่มันเกิดในอยู่ได้หรือไม่ได้อนาตตาโอ้ไม่น่าเลยผมนะอันนี้เพราะมันเป็นอนาตตามันถึงเป็นมันถึงดาวไปอันนาตาแล้วก็การอนิจจังในตัวเราเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ มาจากรูปตั้งแต่เรามีรูปเรามีรูปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้กี่แสนล้านปีไม่รู้กี่โกิดกี่เก่าปีแล้วที่เป็นรูปไม่รู้ตั้งแต่รูปเป็นวุ้นมากันแล้วกันแหะเรื่องรูปเราเริ่มทุกตัวที่เราเป็นวุ้นมาจนถึงปัจจุบันนี่นะน่าเบื่อไหมล้าอย่าทุกเปน็นน้าดิเท่าไรนี่แหละที่ไหนมีรูปที่นั่นจะต้องมีไอ้สามตัวนี้เสมอคืออันที่จังทุกขังหน้าตาเราจะ ออกอย่างนิจังทุกขงังทั้งนัตาต่อเมื่อเราอยู่เหนือรูปได้แต่เราเราอยู่เหนือรูปรูปมีมอยู่แต่เราอยู่เหนือมันใช่ไหมเราข้ามมันไปถ้าหากว่าเรามีรูปถ้าหากกระูปอันนี้เรากําหนดไม่ดีมันจะแปลงตัวสมมุติว่าอะลรามีรูปอันนี้สิ่งที่มากับรูปอันนี้คืออ น, นิจังทุกขังนัาตาใช่ไหมถ้าหากว่าเราไม่ฝึกตัววิปัสสนา อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาคือความเปลี่ยนแปลงความเป็นทุกความเปลี่ยนไปความแตกดับไปของรูปเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนต่อก็เข้าไปอยู่ที่ใจเมื่อไหร่ตัวอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาที่อยู่กับรูปเราไม่ถูกวิปัสสนาเราไม่ได้ฝึกฝนวิปัสสนามันก็เคลื่อนไปสู่ใจเมื่ออนิจจังทุกขังอนัตตาเลื่อนเข้าสู่ใจแล้วเรียกชื่อใหม่ว่านา ม, มารูป านามรูปคือเริ่มตัวอ่อนของตัวคิดแล้วเริ่มตัวอ่อนของตัวคิดแล้วนามรูปเกิดก็คือเป็นตัวคิดะตัวคิดพอใจเรียกว่าสุขเวทนาตัวคิดที่ไม่พอใจเรียกว่าทุกขเวทนาตัวคิดที่ยังไม่แน่ว่าพอใจหรือไม่พอใจเป็นอทุกขมสุขเวทนาแล้วสุขเวทนาก็เปลีป่ยนแปลงเป็นโสมนัสส เวทนาเป็นทางจีแลใช่ไหมเป็นนามรูปแลความไม่พอใจที่เป็นทุกขเวทนาก็เปลี่ยนมาเป็นโทมัสเวทนาความไม่ชัดทั้งสองด้านก็เปลี่ยนมาเป็นอุเปขาเวทนาเห็นไหมและโดยสุเวทนาเป็นโสมนัสก็เปลี่ยนมาเป็นนันทิความเพลินเพลินไปเพลินมาก็แปลงตัวเป็นลาขานันท แ ล, ลากการมาราคะไปนู่นเลยที่ยาวไปถึงกามาสวัสดีลา ว, วามาตอวันเช้าซึ่งเราจะเอาพาวเวอร์อพลอยมาเดี๋ยวถ้าหายเจอจะมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะหรือเอาฉากนี้มาก่อนก็แล้วกันดังนั้นในตัวของในอาจารย์ชุพวันเนี่ยซึ่งมื่ก่อนเขาเป็นนักษาสมัยหกดูลายสมัยนู่นนะสมัยเสกสรรสุ น, สนั้นท์พี่ปิชาทางนั้ น, นพอเขาเจอเรื่องการเมืองอะไรต่างสมัยเขาเดินเขาเลิน ไ, ไปอยู่ติจ่ะ อยู่กีต์เขแต่งงานมีครอบครัวอยู่กีตที่สามสิสี่สิปีแล้วมั้งแล้วในขณะที่อยู่กีต์เขาก็ทุกข์อ่ะเนาะบ้านเราเมืองเรานีไปอยู่ต่างประเป็นทุกข์ทุกข์ก็ไม่มีทางออกก็ต้องมาศึกษาอะไรพุทธศาสนาศึกษาจริงจังคนเหล่านี้เอาจริงเอาจังจนกระทั่งมาปฏิบัติวิปัสสนากับวิธีการของพ่อพุทธทาสบ้างหลวงพ่อเทียนบ้างหลวงพ่อชาบ้างในที่สุดแกก็เลยมาจับประ เ, เรระ 4, ด็นเรื่องสถิปติฐานสี่ได้แตกฉานเรื่องสถิติฐานสี่แล้วก็ บรรยายไปทั่วโลกเลยตอนนี้อยู่ที่อังกฤษนะนี่แล้วก็เชิญไปตัวตอนนี้เขาจะกลับมาเดินหน้าคือคือเอาตัวสฉลี่ยวัตสีมาเป็นรูปประทำทุกรูปแบบเลยทั้งแสดงละครทั้ง power point ทั้งแผ่นใสอะไรต่างๆมีเยอะแยะซึ่งเราจะจับเอาตัวที่น่าศึกษามาให้ดูเป็นบางบางครั้งลักษณะแบบนี้นะซึ่งถ้าเราจะนําลักษณะนี้ไปนสอนเด็กมันจะยากไหมไม่ยากถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์หลักแล้วใช่ไหม เราก็าไปไปยุคใช้กันนักเรียนของเราเราก็เข้าใจมากขึ้นนักเรียนแล้วก็จะเริ่มศึกษาอย่างนี้จะให้มา น, นักนักเรียนมานั่งสร้างจะตวิทยาแบบ แ, บบแบบอย่างเราจะไหวไหมมันไม่ไหวนะ <laughs> ก็ต้องจาะมาเล่นแบบนี้ก่อนให้เห็นความสําคัญซะก่อนเป็นความสำคัญในถ้าหากว่าเธอไม่ฝึกอย่างนี้นะเธอก็ต้องถูกลากถูกจูงไว้ใจเธอไปอยู่กับเกมมันจะข่ําเลยมีกายก็เหมือนเป็นศพไม่มีใจเพราะใจถูกอะไรลากไปแล้วก็เอาเรื่องนี้เข้าใส่เลยเอา ความสนุกสนานเพลิดเพลิทนที่เรียกเจอรี่นี่นะมื่ถูกหลักถูกลึงไปแต่ละวันก็จะหลุดออกมาได้พ่อแม่ใช้ไม่เอาเรื่องเอาฐานนอนตื่นซ้าย เ, าเล่นแต่เกมเล่นแต่โทรศัพท์มือถือไปวันวันก็ถูกเจอรี่เอาไปคลองเลยเราก็ต้องให้สติตรงนี้เพื่อจะดึงตัวใจเขากลับคืนมาก็คือตัวทอมที่ว่าแมวถมของเขานั่ยแหละเป็นตัวละครอของเขาดังนั้นเองจึงอยากจะให้ศึกษาและทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้แจ่มแจ้งแม้ว่าเวลาเราจะสั้นก็ตาม แต่ถ้าเราศึกษาด้วยความเข้าใจไม่ศึกษาด้วยความเบือ่อความนายความขี้เกียจความอย่างเสียไม่ได้อันนั้นไม่ควรจะมีเพราะเวลาเราจับกัดถ้าเราแตกฉานเข้าใจเรื่องนี้แล้วไม่ใช่ว่าเราจะสบายคนเดียวนะอญาติพ่อแม่พี่น้องนักเรียนของเราที่เรียนสนก็จะปล่อยสบายด้วยเพราะเราจะเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวไม่ได้เราก็จะต้องไปบอกไปชี้ไปแจงเท่าที่สติปัญญาเรามีเดี๋ยวมันก็เป็นบุญบุญเกิดจากอะไรธรรมทานการให้ทำเป็นทาน นั่นหมายความว่าเรามาสแสวงธรรมในขณะที่เราทํามาสแสวงธรรมคือมาทําจริงๆอ่ะนะไม่ต้องเสียเวลามานั่งง่วงนั่งเ ง, ง, งานั่งคิดเรื่องโนเรื่องนี้ให้ศึกษาเรื่องนี้จริงๆแล้วแน่นอนของดีต้องมีอุปสรรคถ้าไม่มีอุปสรรคก็ไม่ใช่ของดีเหมือนกันนั่นหมายความขณะที่เราทำหมายอุปสรรคมันอะไรแย่ๆไปหมดใช่ไหมความเบื่อความเซงความเงาความคิดความขี้เกียจไอสารพัดมันจะมาเขาเรียกทั้งหมดทั้งปนเลยเขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าเชอรี่มันมาดึงดึงใจเราไฟพยายามจะดึงใจแล้วก็ดึงกลับมาใช่ไหมเขาแย่งกันไปแย่งกันมาอยู่นี่จนกระทั่งกําลังสติของเรามากขึ้นมากขึ้นก็หนีกลับมาสู่กายของเราได้เร็วขึ้นพอหลายวันเข้าหลายวันเข้าพอสติเรามีกําลังไอตัวที่ดึงออกมันก็ชักอ่อนกําลังนั่นกันเพราะมีการต่อสู้เกิดขึ้นเมื่อก่อนไม่มีการต่อสู้ใช่ไหมมีการอยากเข้าไปเลยอยากเข้าไปเลยมก็ดึงไปทันทีอันนี้ความหมายที่เขาแสดงเป็น ลักษณะอย่างนี้ซึ่งถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ดีเราก็ทําได้ดีฝาด้วยในหลายๆรูปแบบโดยเฉพาะพราเราทั้งหลายเป็ น, ปนครูเนี่ยก็ยังจะมีตัวอย่างแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้ทุกรูปแบบเนะพราะทุกวันที่การเผยแพร่เรื่องนี้มันไม่ค่อยได้ผลเพรา ะ, ราะๆๆว่าการใช้สื่อเนี่ยมันใช้ได้เพียงคําพูดเป็นหลักซึ่งมันมองมอไม่เห็นภาพใช่ไหมแล้วก็ ผู้ที่สนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังเสียใหญ่ก็เป็นนักบทนักบทก็มีความจํากัดในเร่องการแสดงออกต้องระวังมารายาทระวังคําพูดระวังอะไรหลายอย่างระเบียวบวินยัยใช่ไหมแต่ถ้าโยมเป็นชาวบ้านเนี่ยโยมไม่ต้องมีข้อจํากัดแบบพระอใช่ไหมยกตัวอย่างได้ทุกๆรูปแบบเอามามาใช้แต่ว่าสาระอันเดียวกันคือพยายามที่จะสร้างจิตใจให้เข้มแข็งสร้างจะให้มีสติปัญญาฉลาดกว่ากิเลสเท่านั้นเอง แต่ทุกวันนี้เราไม่ได้ฉลาดกว่ากิเลสใช่ไหมกิเลสฉลาดกว่าเราแล้วมันก็ดึงเราไปาเป็นทาสของมันอยู่วันยังค่ำํำนะฉะ น, นั้นเองมาว่าพวกเราเป็นปัญญาชนคนยุคใหม่โชคดีที่เรามาสู่ยุคที่ได้ศึกษาเรื่องนี้ในขณะที่ยังเข้มแข็งสติสมญายอย่างปกติปัญญายัางสติสมาธิยังเข้มแข็งแหลมคมได้อยู่ที่จะศึกษาเรื่องนี้แต่ว่าธรำเนียมที่แล้วแล้ ว, ลวมานั้นเวลาจะเป็นเรื่องของ ไปศึกษาธรรมะเข้าวัดเข้าวาเป็นเรื่องของใครเรื่องของคุณแกมันไม่ใช่มไม่ใช่เลยนะไม่ใช่พุทธศาสนาเลยนะมันเป็นศาสนาประเพทนี้แต่พุทธศาสนาพระุาทธเจ้าต้องการคนหนุ่มคนสาวเมื่อก่อนนี่อายุห้าสิบหกสิบนี่ไปไปบวชพุทธเจ้าไม่รับแล้วนะแต่บังเอิญที่มาบวชไปหลวงตาได้ย้่อพ่อมีบางต่านเชื่อดาท่าพรามณไปขอบวชพรุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่รับอายุสักหกสิบแล้ว เลยไปขอกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรเอ๊ะตาคนนี้เคยเคยใส่บาตรแล้วนีนะ่เพราะฉะนั้นก็เลยมามาขอบทปฏิบัติก็ซักไซ้์เลี่ยงจะเอาจริงไหมเพราะพระพุทธเจ้าไม่รับนะแต่ถ้าหากว่ามาปฏิบัติกระชั้นแล้วถ้าท่านเอาจริงแล้วก็จะพาไปหาพระพุทธเจ้าเอง ก็ปรากฏว่าพราหมณ์คนนี้ก็โอเ้เป็นคนดีเนาะอ่อนน้อมถ่อมตนตั้งใจปฏิบัติแต่ตนเองอายุมากแล้วก็ตามแต่ว่าไม่ถือเนื่อถือตัวตั้งใจปฏิบัติปรากฏวา่าเป็นที่อทูกอกถูกใจของพระท่านท่านก็เลยพาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอนุออญาตให้บวชตั้งแต่นั้นมาก็เลยมีหลวงตาเกิดขึ้นเยอะแยะเลยแต่ทั้งหมดส่วนใหญ่ไม่ได้กับหลวงตาราทะเป็นสงฆ์ตาที่เราเห็นนั่นแหลเะเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาพุทธศาสนาจึงเป็นคนหนุ่มคนสาว ไม่ใช่คุณเท่าคุณแก่คุณเท่าคุณแก่เป็นพุทธประเพณีไม่ใช่พุทธศาสนานะอาศัยประเพณีของพุทธเท่านั้นดังนั้นเรื่องเกิดขึ้นกับวัดวาลามต่างๆที่เป็นในพระเหลืองเป็นพระหลวงปู่หลวงตาอย่าไปคิดว่าเป็นผู้ศาสนาอันนั้นเป็นพุทธประเพณีนะบทเข้ามาตามประเพณีเพราะฉะนั้นจะทําอะไรไปตามเรื่องตําราของโลกเราต้องแยกให้ออกนะเอาละทีนี้ในช่วงบ่ายนี้อยากจะให้ไป ทำดวยตัวเองช่วงเช้าเราลองทำเปลี่ยนยีบดด้วยการเป็นกลุ่มแล้วก็คงไม่มีตัวช่วยม้างช่วงบ่ายเนี่ยคงจะปิดแอร์เนาะอาจจะให้หามุมเอาเองตรงนี้บางข้างล่างบางข้างนอกบางหามุมเอาเองแต่ว่าไม่ให้ไปรวมกันหรือไม่ให้ไปนั่งด้วยกันเท่านั้นเองนะจะเอามุมไหนก็ได้นะไปเดือกกันแล้วก็ไปหาที่หามุมเอาเอง